พวกเรามาร่วมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมมาฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกถ้าอยากพูดว่าประสูตดการประสูดเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นมานานแล้วจยากอยากพูดว่าอุบัติขึ้นเว่าโอปปปาติกะเกิดอุบัติขึ้นเรียก ว, ว่าอุบัติเทพเป็นเทพที่สูงสุดส ม, มุติเทพก็เป็นเทพที่สมมุติบัญญัติบริสุทธิเทพ เป็นความบริสุทธิ์เช่นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพร้องโดยพระธรรมคําสอนเป็นไปเพื่ออนุสาสนีพระโหราตรงสัสอนเรื่องกายทางจิตของคนไม่ใช่เรื่องพิธีลีตองออกไปจากกายจากใจเลยเราจะมารวมกันมาดูพระโหราอนุศาสนีคือมาเห็นกายเห็นรูปมันเป็นยังไงพิสูดูหรือวิาาทยาศาสตร์เหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในพิสูจน์อะไรต่างๆในพยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์อะไรต่างๆที่เป็นการจบมาพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมที่จบมาจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้แล้วก็อาศัยศาสตร์เหล่านี้เราก็อยู่ร่วมกันพระตาเพศชาติสังคมสุขภาพร่างกายมาได้ดีหลวงตาเคยเจ็บแพ่ได้ป่วยอย่างหนักแสนสาหัสคอยเสาอศาสตร์การแพทย์ มาช่วยรักษาก็หายมาได้ยังไม่ตายผู้ที่มีวิชาความรู้จังศาสตร์ที่เล่าเดียนมาก็ใช้ได้เพื่อว่าความผาสุก ข, ของพวกเราอยู่ร่วมกันที่จะแสดงออกในวิชาการที่เรียนมาหลงตาเคยไปนอนอยู่เตียงนอนโรงพยาบาลจุฬาที่หายใจไม่ได้หมอกำพลเพืพ่อเป็นแพทย์ผู้ดูแลใกล้คิดและนักปฏิบัติธรรมมันกันมาเย็นเข้าแถว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 บอกว่าถ้าหายใจไม่ออกผมจะเอาเตียนนีไปคุมไหว้หน้าให้หลวงพ่อหายใจถ้าหายใจไม่ได้ผมก็จะเอาท่อเ น, นี่ยสอดเข้าไปในใปากพอเขาพูดจากนั้นก็หายใจไม่เลยเยียบไปเลยศาสตร์ที่มันสํสำเร็จตาช่วยเราที่ไม่มีทางรอดได้หายใจไม่ได้แล้วก็คืินมาได้ศาสตร์แห่งอุปติเทพหรือบริสุทธิเทพเกิดจาก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 ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันหนวันหลังวันตัดสลูกมารวมพลังกันสี่สิบวันหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ทมทั่วทั่วไปตามทินที่ต่างๆ ต, ตั้งแต่เดือนธันวาพิคิกาธันวามาเข้ามาจบลงวันสองวันนี้เราทำวิสาขะที่วัดของตนของต น, งตนงมารวมกันที่นี่เพื่อเฉลองในจิตการอันนี้ประกาศ ออกไปพลังแห่งธรรมแล้วเราก็รับผิดชอบรู้พร้อมที่จะใช้ศาสตร์นี้ไปช่วยมนุษย์ทั้งหลายจะมารวมกันวีนี้ไปใช่ที่นี้วัดป่าสุโกโตแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็อยู่กันไปอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยพุสูตรต้องห้อยโน่นคนไว้พุณเจ้าชี้มือไปโน่นเลือนล้าง น่นลองฟางพวกเธอทั้งหลายจงทําความเพี่ยนเพื่อเผากิเลสไม่มีนั่นกติมีหน้ามีไปไหมนั่นวิหารนั่นไม่มีเลยขี่ไปตรงที่ลูกขมูลละเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติรวมยาความวางฝึกขัดให้เราเข้มแข็งได้ต้องอย่าท้อถอยฝึกผลตนเองการปฏิบัติทำเนี่ยพวกเราก็มีพระสูตรอย่างท่าไทายต่อพวกเราอยู่แล้ว ไม่ใช่เราดุ่นเล่าเต่าดุนไปให้รู้อะไรไม่ใช่ชัดเจนเหลือเกินพระหุรานุสาเสน่ี่ไปที่กายที่ใจเราเดียมาดูซิมามีสติมาดูไม่ใช่มาสร้างนะถ้าพูดภาษาประมาจาแล้วสติไม่ใช่มาสร้างมาใช่เลยมันมีอยู่แล้วความรู้เราไม่ใช่สักทีมันก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยงอกงาม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 มันก็ชำนาญเป็นฝีมือปาณีชได้ถ้าใช่ใหม่ๆก็ทําให้เป็นการมีสติการใช้สติเนี่ยมันชำิชำนาญจนเกิดศิละปะเรียกว่าศิละปะของชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามที่สุดจนเห็นแจ้งข้ามล่วงจากความมืดบอดของชีวิตเราทำไมาจึงไปหลงไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปวิตกความโง่ของหมงองเพราะเราไม่มีเราไม่ใช้สติ ข้อลอยอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องเราจะมาใช้มันเราก็ใช้ไปเลยนั้นรู้ใช่ตัวรู้เข้าไปวิธีใดที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาเราก็ใช้มันเรียกว่ากรรมฐานคือการกระทําคือที่ตั้งมันก็มีแบบตั้งแต่วันตัดจะรู้วันอุบัติขึ้นของพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าทำอย่างนี้เราอยากรู้ชีวิตจิตใจของท่านผูน้ใดแล้วก็ทําเหมือนท่านผูนั้น เราอยากเป็นหมอก็ต้องเรียนเหมือนหมอเหมือนภูบาลยานมาบอกมาสอนเราเราอยากเป็นอะไรก็เรียนตามผู้ที่บอกที่สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาตราเป็นบรมโครูเป็นอนุตตรสัมมาสัมพธิญานสามารถสอนคนทั้งเทวดามารผมมีผู้รู้ตามได้ไม่ใช่ว่าด้อยมากง่ายเหลืกินจนมาถึงพวกเรามาพิสูจกันดูวิธีพิสูจน์เรื่นี้คือกรรมฐาน ที่ตั้งของการกระทำที่ตั้งแห่งการกทำตั้งไว้ที่ไหนเอากายเป็นตําลาเอาใจเป็นตําลามีสติตั้งไว้ที่กายวิธีตั้งไว้ทำไหมกายานุปสนาสติมีสติเห็นกายอยู่เหนืองเนืองมันก็มีอยู่กายเนี่ยไม่ได้มโนภาพอะไรกายเราก็มีอะไรที่มันจะรู้อะไรที่ไม่ใช่เกิดตัวรู้ได้ใช่มันเราจึงมีรูปแบบการสร้างจังหวะ ปุกขยา่าทันเวลาวินาทีหนึ่งลู่ทีหนึ่งจังหวะที่เราสร้างสิบสี่จห้าจังหวะลู่วินาทีและทุกวินาทีเรารู้เรารู้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูพิสูจศ์ดูวิทยาศาสตร์มันจะลู่จริงไหมมันเห็นอะไรตัวลู่เนี่ยประจบกับอะไรประจบกับอะไรที่มันเกิดตัวลู่ขึ้นมาประสบกับการประกอบการทําให้มี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 เป็นทางไปเนี่ยเหยียบไปเหยียบไปตรงที่มันโรคมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหยียบมันลงไปให้เป็นลอยลอยแห่งความรู้สึกตัวเป็นลอยเอาไว้ตรงไหนที่มันลรคเหมือนกับเรามาอยู่เนี่ยเดินจม ก, กรมอันไหนที่มันไม่มีทางเราเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปเอาไปมาก็เป็นทางกันมาแต่เดิมไม่มีทางเลยในชีวิตเ่าเหมือนดงดงอะไรดงแห่งความอวิชชาอวิชชาเป็นป่าเป็นดง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 เอาเวลาใดเราเห็นกายกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพ้น่าแล้วมันพ้นทันทีมันเป็นมักกันดีมันเป็นผลทันทีเวลามันหลงเป็นเหตุเวลามันรู้เป็นผลเอาความหลงว่าเป็นผลสร้างเป็นตัวรู้ได้อย่าไปเด้อโอ้ยเสียใจเพราะความหลงไปเอาผิดผิดแล้วไปเอาถูกเอาถูกแล้วไม่ใช่ยังไปไม่ได้ยังเป็นคู่ยังมีรสมีรสชาติชีวิตที่มีรสชาติอยู่ในโลก พ้นจากโลกหรือว่าโลกกวิถูเหมือนพุนเจ้าของเราผู้รู้แจง้งไม่หลงอยู่กับโลกจะได้เหนือการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทางไปเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะมางมอะไรต่างๆไม่ชัดเจนเหลือเกินเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนมาพิสูจน์มาแล้วว่ามาเหนือการเกิดแก่เจ็บตายเหนือทุกเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนนิพพาน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 เพว่าฉกบาจิกาสำเนินไม่เคมารวมกันดูมาพิสูจน์กันดูมารับรู้รับทราบกันเรื่องนี้ดูยาปล่อยป่าละเลยให้ใครคนใดคนดนึงเจงมาวิธีอื่นไม่ได้จะมอบไปกันบ่าเหมือนของฝากรับเสียงเงินทองต้องเป็นของส่วนตัวต้องทำอย่างนี้ไม่มีวิธีใดต้องมาจุ่มเอามาต่อเอาเอากายเอาใจมาต่อเอา เอาความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันเกิดขึ้นอย่าให้ค่าอะไรไม่นอกจากตัวรู้เข้าไปฐานมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเอาว่าน่นมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงทําไมจึงมาทําอย่างนี้ไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลเหตุผลไม่ใช่ใจธรรมใจธรรมต้องปัจจบต้องพบเห็นด้วยตนเองเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นบรรไกยอยู่การพบเห็นมันเดี๋ยวนี้ปัจจัตัง ตามสอนพระพุทเจ้าเป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นการพบเห็นไม่มีคําถามเหมือนเรามาพบเห็นสุกโตหอไตเป็นอย่างนี้แล้วมีคําถามไหมหัวใจเป็นยังไงไม่มีคำถามเราตอบเองโอ้เป็นอย่างนี้หัวใจสละไก่เป็นอย่างนี้สลาหน้าเป็นอย่างนี้สลาฉิบหน้าเป็นอย่างนี้สํานักงานเป็นอย่างนี้ ตัวที่โจรก็ห้ารอยไรเป็นอย่างนี้บริเวณสูงตัวเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่สามรอยปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าไปรบกวนมันต้นไม้โบราณบางทีคนจะไปอากาศไปไหวเอาผ้าหลังไปหอ่อบางทีไปขูดหาเลขหาหวยก็มีบางคนนะเจงเขียนไว้ห้ามลบกวนต้นไม้โบราณถ้าก็เห็นแล้วทําไมจึงบอกว่าต้นไม้โบราณสามรอยปีหลวงพ่อเกิดสามรอยปีเลยไม่ใช่ เไปดูต้นไม้สามรอยปีที่ประเทศอินเดียเมืองเคตเนียกาจันต์นักเสียงเอาประกาศว่าต้นไม้สามรอยปีมีประวัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วไปดูแล้วก็ไม่ต้นไม่โตเท่าไหร่ไม่โตเท่าต้นนด้เลยแล้วไม้ของเขาเป็นไม้อวบอวบก็อาจจะไม่สร้างสรรค์มานานเหมือนปดูต้นนี้อบอกยันต์นักเสียว่าควรเทียบประกาศได้ว่าต้นไม้ต้นนี้สามรอยปีคงไม่ผิด ไม่ใช่เราเกิดสามรอยปีมาเป็นคัวมอมหมายเราก็เอเปรียบเทียบให้มีบ้างนะประเทศถ้าเราจะมีแต่ประเทศินเดียถ้าไม่มีที่อื่นก็อยู่ตรงนี้หลายที่อยู่มหาวันก็มีห้าต้นไม้สามรอยปีอันนั้นเป็นต้นตะเขียนทงอันนี้เป็นต้นประดู่อันนี้ก็พูดก็เห็นแล้วว่าสุกโตเป็นอย่างนี้เราเจ่งที่สอนที่บอกก็เป็นอย่างนี้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 มันจักว่ากายมันจักว่าเวทนามันเจ็บมันปวดเหรือมันร้อนมันหนาวหรืออา้าวจักว่าเวทนาความสุขความทุกข์ก็จักว่าเวทนามันเป็นดาการของหนัดไม่ใช่เราเรานี่ไปตู่เอาเวทนาคือเราไปป้นไปจี้ไปซื้อเอาที่จริงมันไม่ใช่เสียเปรียบบานบานแล้วเห็นเวทนาจักว่าเวทนามีไหมในตัวเราเนี่ยเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดีย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 ไม่เป็นอลไรไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรทําไมจึงไม่มีไม่เปลี่ยนเพราะมันเห็นแล้วไม่น่าเปลี่ยนมันเปจนสุขก็เห็นแล้วเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วไม่มีใครไม่เห็นสุขไม่มีใครไมเห็นทุกข์แต่ว่าสุขทุกข์สมมติเ่าไม่ใช่ปรมัติเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมาจิสัจจะหลวงบัญญัติเนี่ยไม่เป็นธรรมบางคนชอบยิ่งเล่ามอยาก็ราขาชอบสมมติบัญญัติว่าชอบแต่บางคนไม่เอายิ่งเล่ามอยาไม่ใช่เรามาชอบเพราะบัญญัติ อันชอบไม่ชอบเรบวัน ญ, ญัติตัวเองแล้วก็รู้ว่าเออรู้แล้วรู้เลยเป็นกลางไม่เป็นส่วนไหนไม่บวกไม่ลกคําว่ารู้เนี่ยเป็นมักที่สุดแล้วสุดยอดขององค์มักผ่านในตลอดเจ้าใจะเป็นดงเป็นป่าติดเปื้อนอะไรบาก็ตามนิสยัยยังไงมาก็ตามจะเป็นละทิแบบไหนมาก็ตามจะเป็นวันนะใดมาก็ตามถ้ารู้อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันทุกคนแต่เรานั่งอยู่นี่มีความรู้ ตัวเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราตั่งอย่างนี้มีความหลงคิดไปตามมาก็เป็นคนหลายคนโด ว, วรู้นี่เป็นทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวเอตัทธะหนึ่งเดียวลองบังเอาเถอะมามีตัวนี้กันเถอะพวกเราถ้ามีตัวนี้แล้วมันเป็นครบวงจรขอ ง, ของการใช้ชีวิตครบวงจรหมดเลยเหมาะแกการงานเหมาะแก่หน้าที่เหมาะแกความเป็นมนุษย์พัฒนาขึ้นไปจนถึงพระเรียบบุคคล ตัรู้ตัวเนี่ยที่สุดเลยทีเดียวจังพุทธเจ้าเป็นพระหันนิพพานแต่อายุสามหกจนไปถึงอายุแปดสิปีจังทําประโยชน์อมากมายกว่าคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสร้างสรรค์ประโยชน์เยอะแยะเลยช่วยมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายช่วยแม่แต่องค์ดิบานจับมีดจับดาบไล่ปันก็ยังคิดช่วยไม่ได้โกรธเลยเป็นยอดนักรักที่สุดเลย มีใครบ้างที่เขาจับดาบไล่ฟันเนี่ยยังคิดช่วยเขาไม่แต่จะเจอสชู้กันจนช่วยองค์ที่มานได้เพราะนั่นเนี่ยเราจะมามีศาสดาที่สมุนแบบที่สุดเลยพี่โสดาไม่ตัดออกไปได้คำสอนของพระพุธธทธศาสนาของเราจะเปลี่ยนจะเพิ่มก็ไม่ได้ว่าทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนี่คือของจริง เราจึงไม่ควรจะให้บันพาดไปชีวิตของเราวันคืนมันก็ผ่านไปเกิดเจอเจ็บตายไปเรื่อยๆไปแต่ไม่เจริญตัวรู้ตัวแน่มันก็ไม่สมนุนแบบแล้วก็มีปัญหากับชีวิตเราการเกิดการเจกการเจ็บปันตาเป็นทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำาย่างไรกันทำที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งเส้นนี้จะพึงปรากฏใจใจเราได้ อุทิจฉานต่างทำแบบพระพุทธเจ้าทำเฉไนกันท่าี่สุดแห่งของทุก์เนี่ยจึงจะมีแจกาะเจ้าจึงทำอุทิอฉันตะสัมมาสัมพุทธ佛ทำแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนไงไม่ต้องไปหามีแล้วรู้จักตัวเข้าไปที่เห็นกายเห็นใจเอาอกายเอาใจมาเปา็นดําลาน้าไปจบตรงนี้จ้าแย่นี้กายมีปัญหาใจมีปัญหาไม่จบเลย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 ไม่ใช่คิดเหตุผลอะไรต่างๆอย่าหอบเหตุผลมากท่านจะศึกษาจบมาขนาดไหนก็ไม่ใช่องเหตุผลที่เกิดจากความคิดเหตุผลต่างๆเอาการกระทําทําอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ะทําอย่างนี้มันไม่มีอย่างนี้เรียกว่าธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมปปปาบาทผู้ดเห็นปฏิจจสมปปบาทผู้นั้นเห็นธรรมทำขึ้นมันเป็นอย่างนี้ เพราะมีตัวรู้มันจึงไม่หลงเพราะมีหลงมันจึงไม่รู้ทําไมจึงจะมีตัวรู้ได้ก็ประกอบความรู้ขึ้นมาในเวลามันหลงถ้ามันไม่หลงก็รูไ้ไว้จะไปทําอะไรนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ทุกอริบุตเลยเหมาะแก่การประกอบความรู้ขึ้นมากายของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างตัวรู้สร้างตัวหลงมันยากต้อง ลำดับลำนำฉันเขาว่าให้เราเราโกรธพอใจที่จะโกรธทําไมยังทำอย่างนั้นทำไมจะทำอย่างนี้มันมีเหตุมีผลจนการเกิดการเฉนข่าทะเลาะว่ากันอันรู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปถึงโนนรู้แล้วแค่นั้นเองเหมือนลัดที่บึงอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็หลุดไปรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญากาุลทจะวางเทศการแรกของพระเจ้า ก็รู้แล้วรู้แล้วพระพุทธองค์แสดงไปอะไรอย่างเราสวดอาราตะลัคนาโสตถวันสามวัดจัลูกไม่เที่ยงโูบังอานิจังอนุสาชนีพระโหราพระวัตติเป็นไวเพื่อสววกส่นทั้งหลายส่วนมากโูบังอานิจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม้เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงผู้แสดงแต่โกฏิย ญ, ญาฝังเอาสิ่งที่แสดงเป็นคาฉามาทำ ในกายในใจตัวเองรู้แล้วเห็นด้วยจิตใส่ใจตามเห็นด้วยรูปไม่เที่ยงโอ้เห็นด้วยเป็นาไม่เที <vinegar>. <emb un y ad> ่ยงเห็นด้วยสัญญาไม่เที่ยงเห็นด้วยสังขารไม่เที่ยงเห็นด้วยวิญญาณไม่เที่ยงรูปปังกนิจังรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นจักรวากายเป็นาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมีไหมสิ่งเหล่านี้กับเรา รูปคืออะไรรูปคือกายกายคืออะไรคือธาตุสี่ขันธ์ห้ามันสามัดรู้อะไรได้หรือว่าวิญญาณธาตุมันมาให้เรารู้มันมีให้เราประกอบสร้างมรรคผลไม่ใช่มีให้เราไปทำของชั่วมีรูปมีนามมีกายมีใจนะมีสาหรับให้เราสร้างมรรคสร้างผลจนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอวัง <Okay. S 1> ปาวลาเอวังเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้ จึงได้เป็นสาวกตัดจะรู้ตามพระพุทธเจ้ามารู้เรื่องนี้กันเราเนี่ก็เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วพ้อมแล้วมาลู่เรื่องนี้เข้าจะไปเปิดไปเพื่อกั บ, กบกอย่างอื่นอย่ามีร่องรอยกับอย่างอืนแม้มีล่องรอยก็ ก, กลกกับมาได้มาทํากรรมมาล่างบาปมาล่างอากุศลถ้ารู้มันก็ล่างแล้วทําบุญแล้วถ้ารู้มันก็รักความชั่วแล้วถ้ารู้มันก็ทําความดีแล้ว ถ้ารู้ตัวนี้จิตก็ บ, บริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเลยปฏิโมกยอ่อคําสอนยอ่ยอๆลักความชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านี้คําสอนพระพุทธเจ้าทําไงจะละความชั่วก็วดีแล้วรู้จักตัวนี่แหละรู้แล้วรู้แล้วเนะี่ยไม่ไปกับมันมีตัวรู้ตัวรู้ที่ใดก็รู้จักตัวที่ใดมันอะไรมันมีไปมันหมดไปแต่เป็นความมืดก็ความมืดหมดไปเพราะตัวรู้มันาแจ้งจว่าง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 จากวันมโหงเมื่อวานนี้จะไม่ได้อยู่เอาปัจจัยมาถวายโอ้ยไม่เอาเราปัจจัยเอาคนน่ะเอาคนนั่งน่ะมาจุ่มมาต่อเอาของรููเนี้ยไม่ต้องเอาปัจจัยเอามาให้เอาลับไปก่อนไม่รับปัจจัยไม่รับเอาคนน่ะอยู่ปฏิบัตินี้พอเจอก็เอาให้คนหูเอาปัจจัยให้คนหูไปเข้าลงทานให้กาดี จะมาถวนาล้องตาไม่เอาจากต้คนนะ่ะช่วงสี่สิบวันนี้นมเราพอใจที่เห็นพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสององเจ้าชื่นใจเป็นครั้งเดียวเท่านี้สุกโตนะตั้งมาแล้วสามสิบสี่สิบปีเพิ่งมีค้างนี้เราคิกว่าจะไม่มีใครมาวางผ่นกับพระที่นี้ถ้าสุกโตไม่มีคนมาทำาไงพวกเรา มันอยู่ไกลเรือเกินชนบทมาก็ลําบากแล้วก็ใครมาที่นี่ก็อาจจะเจ็บหลับได้ถ้าไม่มีใครมาจุกโตทำํำยังไงก็พูดกับคุณหมอประจักขึ้นหมอจุนตรีลงประวานชัยภูมิว่าถ้าไม่มีใครมาจุกโตจะไปอยู่ห้องพระติดสงพอไปเห็นที่นั่นบ้างๆอยู่ไม่มีคนพักก็ขอพักสองคืนสามคืน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 ก็ขอเอาญาติคหมอสนจะลีคหมอประจักรหมอประจักรเออดีดีก็เลยมีโครงการห้านาทีทองก่อนจะขาดเราจะไปดูแลคนป่วยแล้วไปทํามาแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่บอตตันลงไปหวานบอตตันไปดูคนป่วยไปสอนคนป่วยถ้าเราก็เป็นชาวพุทธก็พุทธทังจันทกชมิข้าพเจ้า สาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยชนะนี่แล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากโทษทั้งปวงได้ธรรมังสนังอชามิสาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยชนะนี่แล้วจึงพ้นจากโทษทั้งปวงได้เอาไปสวดไปยืนพูดคนหมอคนพยาบาลไปยืนพูดอยู่ข้างเตียง สามคนสี่คนห้าคนปรากฏว่าใช่บ้างแล้วหลอนตาไปสวดอยู่ที่าสารัตมหาหวิลัยวัฒน์นาก็ไปสวดแบบภาษามหายาณอามิโตโพอามิโตโพอะมิโตโพ อ, า, โโอาจาร ก, ก็สวดไปกับเขาก็ยืนสวดกับวาจกปวิกาไปร่วมเลยคนป่วยก็นอนฟังปะนมมือขึ้นนะได้ยินอมุตตภู อมิตตพุทธผู้ใดตายขณะที่ได้ยินอมิตตพุทธในหูผู้นั่นจะไม่ตกนรกเรียกว่าหา้าเดทีทองก่อนใจขาดเอองานเราก็มีคงไม่อยู่เฉยๆชวนพระที่นี่ไปโรงพระบาลต่างๆร้อนแก่นบ้างบริลัมบ้างคนหมอมริจิตให้ไปไหมและนั้นเนี่ยเราไม่อดนะถ้าไม่มีคนเข้าวัดนานะคิดจากนั้น เราชิดจะช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีมีคนซื้อรถให้บนทวีตอนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเอารถมาให้คันหนึ่งเอาไว้ร้องตาไม่เอาดอกร้องตาคงไม่รอดแล้วค ง, งตาอยู่แล้วเอารับไวเ้เถอะทั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมาม้อไฟร้องตาสองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็น สำหรับเดินไม่ได้คันนี้เป็นรถนิวเซเว่อย่างดีผมซื้อมาล้านกว่าบาทโอ้ยไม่เอาไม่เอามีรถอาจารย์ตุ้มอยู่แล้วเอาเถอะเอาเถอะเลยลาไปเอาไม่เอาหรอกไมจะตายอยู่แล้วไม่ให้ตายไม่ให้ตายเขาว่านี้เออคนที่ไม่อยากให้เราตายก็มีเออเนี่ยเลยพยายามทอพาชื่อเข้นมาโอ้ยยากไหลกเกินนะอันตายมันสบายใครว่ า, า, าคนเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่เห็นทุกข์ต้นไหน ถ้าว่าคนจะตายเป็นทุกข์อ่ะไม่ทุกข์ตรงไหนเลยมันสนุกไปเลยนอนโรงพระบาลเกือบปีไอ้คนไปเยี่ยมอ่ะมีพูดอยู่เว่าสนุกป่วยสนุกป่วยสนูกจริงๆการป่วยกันเจ็บนะนโรคระแรงก็เนื้อตับปอนโตปวดเอ้ามะแห็งเออเป็นเพื่อนกันกันกบตับก่อนท่านละเราไม่หลังเกียดอยู่ด้วยกันไปแต่เราไม่เป็นกับท่านนะเราจะอยู่ของเราเองมันปวดท้อง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 โอ้ยวันนี้ไม่ไหวเครียดง่วงนอนหลวงตาก็ยิ้มเอากรรมาฐานนักกรรมาฐานเขาไม่พูดอย่างนั้นพูดใหม่ไม่เอาอย่พูดอย่างไงรมันเครียดจริงๆเนี่ยมันชิดมากหน้าโกรถ้าเบิ่งเอา้าหลวงตาบอกให้ดูมันเห็นนันไหมการเครียดเห็นมันง่วงเห็นมันไหมก็บอกให้ดูเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นอนะ่ะใช่ไหมก็หน้าตาค่อยหย่อนกันมาบ่เออ ตอไหมจะตอบเป็นไงล่ะหลองตาอเป็นไงวะเ น, น่ตอบไงหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ที่ข้ามาถามเขาตอบแบบนี้ว่าว่าตอบว่าหนูเห็นมันเครียดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นผู้เครียดเดินมันเครียดเป็นผู้หลงเลยมันหล ง, หลงเป็นผู้ทุกข์เลียมันทุกข์บอกแล้วให้ดูมันอย่าให้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ฆ่าเลอเกินในโลกเนี่ยความสุข ก, ก็ไม่ฆ่าความทุกข์ก็ไม่ฆ่า ความโกรธก็ไม่ค่าความหลงของโลกไม่ค่าความรักความจังไม่ค่ามันจึงมีปัญหาใจตัวอย่างใรคนเด่นถ้าเราไว่ค่ามันมีอหลรมีสติคนคนเดียวกันมิตรภาพพระศีลอนุเบตัยเกิดตรงนี้สาสตราที่สูงสุดคือสีอนุเบตัยลาบไปเลยชีิตของเราลาบไปเลยไนดะ้ทําไมเราจรึงจะพบจริงเหล่านี้จึงเป็นสมบัติของเราอุบัติขึ้นจากเราต้องมาประกอบบรรลุมัน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 ขึ้นไป้ายไว้บอกเมื่อวานในบอกเอาเมื่อก่อนในบอกอาจารย์ทั้งเิียนว่าเอาแบบพระเจ้าเป็นไงตอนที่พระเจ้าไปอยู่ป่าอิสิัตนะบื้อขาจวันโอดปัญจาพชีตอนด้นพยาสะคนบุตรลูกชายเจติีประมาณนี้ล่องออกไปที่นี่วุ่นวายเหลือเกินที่นี่ทุกหนทุกหนอออกจากภาราณีไปป่าอิสิพระเจ้าจงกรมอยู่ที่นี่ไม่วุ่นวาย นี่ได้ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดมาที่นี่เถิดญาติสากุลบุตรได้ยินเฉียงก็ตามเข้าไปอะไรนาะเสียงอะไรเลยถดลองเท้าตา่างหากเห็นพวกเจ้าเทศนาอบรมปัญจพีอยู่เข้าไปฟังอยากจะเขียนไว้ที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเราไม่เที่อยู่ไม่เข้าไกินตามทุกวรเจตนาแต่ว่าเขียนไว้เพียงแต่ว่าสถาบันสติปัฐานจัดต้องสินเขียนไว้ ประกาดเป็นสถาบันเพราะชีวิตเราเป็นสถาบันมีความพร้อมที่จุดกายก็มีใจก็เมยเวทนาอะไรที่เราจิกจังให้มันจบตรงนี้กันอย่าไปจบแต่ศาสตร์อื่นเศรษฐศาสาตร์รัฐศาสาตร์วิทยาศาสตร์จบศาสตร์ตรงนี้บ้างกายเนี่ยมีเวทนามีสัญญาสังขานวิญญาณจบตรงนี้ดูขาดเช่นแล้วผมว่าจันอยู่จบแล้วยีดอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าอุทานเรามาในวันตัดจะรู้ เมื่อวันที่สิบเก้าชาติของเราชสื่นแล้วพมอมาจันของเราอยู่จบแล้วยีดอื่นที่เราจะทําไม่มีอีกแล้วลองดูทีู่้สึกเป็นไงชีวิตเราจะเป็นยังไงที่ว่าสำเร็จที่ทุนเลยชีวิตเราถึงจนไม่ปลายทางแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนทำงานทํามานช่วยกันตรนนี้ควรที่จะประกาศแล้วมันสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดพันจาตั้งแต่ปารีสผ่านมาก่อนปารีสผ่านอีก สี 45, 40, ่สิบห้าสี่สิบปัญหานับรวมกันยาวเหลือเกินนานเหลือเกินเมื่ อ, อไรเราจะรู้เรืงนี้กันนะไปโกรธไปอิจฉาไปเบียดเบียนไปอิจฉากันนําใหม่เหมือนภาคใต้สามจังหวัดเข่นฆ่ากันนะไม่สมควรจะเงี้พวกเราจะเป็นชาติชนาอะไรก็าตามขันอยู่ตรงนี้นะจะบอกให้อย่าไปให้ค่ามันท่านทั้งหลายปวดเมื่อยเห็นมันจะให้ข่าความเปิดความใหม่ลาบากก็เห็นมันอียนหนึ่งวันนี้ถือว่าในเทศจกหน่อย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 ให้เป็นไม้เป็นต้นไม้ที่เบญจพรรณสามารถสร้างสรรค์ต่อไปถ้าเราบปดตัดต้นไม้อ่อนเหลือไว้ต้นไม้แก่เหมือนคนเราเนี่ยฆ่าคนหนุ่มตายหมดเหลือแต่คนแก่มันก็ไม่สร้างสรรค์แล้วหมดแล้วถ้าจะตัดได้ถ้าจัดบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าลบกวนมันการอยู่ในป่านี่อย่าไปขุดดินอย่าเห็นรอยจบรอยเฉียมไม่อยากเห็นรอยจบรอยเฉียมเราลักแผ่นดิน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 รอยจบราเฉียเอาเสือที่ปูที่นอนที่นี่มีราคาแพงมากก็อย่าไปเสียอีกจุลู่ยจุล้อยเราเป็นคนจนไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนว่านของท่านถ้าจะปูเสือบนแผ่นดินอ่ะเดี๋ยววันนี้ไอจันย์น์โนดลองเจ้าวาดไปเชื้อแสลมมาปูพื้นดินอ่ะแล้วก็ปูเสือลงไปแล้วแสลมนี้มันดีนะถ้าพื้นใหญ่หน่อยตะขับเข้ามาไม่แม่กล้าเอาไว้หลงังตเดินเจ้า ก, กองอยู่ พอาวลาเห็นโค้งเนี่ยเอาจระแหนปูก็จะขาบมันตัวใหญ่วิ่งมาพอมาเจอจระแหนมันหลบหนีไปวิ่งมาอีกพอเจอจระแหนมันหลบหนีไปอา้าวจระแหน่ก็ดีนะสีเขียวๆนะแต่เอาสีดํานะสีดํามันไม่กลัวสีเขียวมันกลัวาปูให้นอนเขียวไปเถอะอัศนูดดีงูนอนด้วยก็ได้จะเป็นเกลื่อนวันเวลาลุกนอนหรืออยู่ที่ในป่าต้องอ่อนนุ่มจหนอนอย่าลุกนี่ลุกลน เวลาบางทีฝนตกตลอดคืนหัวมดอนน่วยอย่าทําให้ตกใจเคยมีหันอนด้วยที่นี่อ้าวไอาเจ้าหัวอ้นอนด้วยกันน่ะฝนตกตลอดคืนนะเอ้าวมือด้าด้าอยู่ข้างมุ้งนี่ยมาเลยนาะเอามือคําดูคําดูเห็นหัวมันขดอยู่เห็นตัวใหญ่นะเออไอ้เจ้างัวอ้เจ้าหนาวเลยแต๋วนอคงจะหนาวเนาะฝนตกเนาะอ้าอยู่ด้วยกันล่ะ นอนด้วยกันเนี่ยเอาแขนเตะผ้าพอกเออได้ได้แม่ใส่กนอยู่นอกมุ้งนะเราไปกลัวตกอกตกใจเป็นเพื่อนกับหมูได้ไหมไม่ว่ากลัวเป็นตัวจันอย่าไปกลัวคงกลัวไปทุกนะตามใจสบายสบายเขาทําให้กลัวก็จาไปกลัวเลยสบายสบายเอามดมันกัดเหลยมันกัก็หลักหมดไปเจ้าหมดเลยพูดกับหมดตัวเจ้าก็เล็กนี่เดียวเนาะเอาเรานี่กะ ถ้าเราจะฆ่าเจ้าเราฆ่าไปตายเป็นหมื่นๆพันๆเราไปฆ่าเจ้าดาราวนี้เราจะนอนนำปรนะกาศกระดาษพูดกับมดลองดูทำใจดีๆบางทีมดอาจจะลูกเรื่องกันอย่างอย่างประเทศพูดกับงูจงอางใหญ่พันตามไปจะขึ้นกติงูเหลือมใหญ่งูจงอางเอา้ามาทำไมล่ะอามาทำไมมาส่งเราทังกติเหลือพันตามไปกติโชว์คอกันเอามาทำไมตายกลับไปกลับไปได้หลองพ่อหงวน โมจงางไปชูคอขึ้นมาออกมาที่ทาไมล่ะที่ของพ่ออยู่นะไปทั้งคืนป่าบางทีพูดกันได้เสือเจอเจอเสือยังไงอ้าวมานั่งเฝ้ากันทําไมอดีขอบคุณนอก็นอนอยู่กันทั้งอยู่เสืออย่าว่ามันทำอะไรทำใจทํา ใ, ใจอยู่ป่าอย่าลูกดีลุกหนสงบเยียมสักน่อยไม่แม่ตาคุณอาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบอละอวยชอบ เห็นว่าแฟดแมก็ชิดโกรธขึ้นมารู้จึกตัวรู้จึกตัวทุกวิถีทางอะไรที่มันจะรู้ใช่เท่นั้นหละความหลงมากจากหากหมายเลอวเกินให้มันพ้นจากป่าอาวิชชาความหลงในให้ได้มีความรู้ไม่ต้องออกเดิออกแรงเสื้อเงือเสื้อไขเลยตัวรู้มันเช็ญยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เป็นไรยิ้มยิ้ ม, มตัวรู้นี่ยกล้ง่าย